เมื่อวันก่อนที่โยมได้มาฟังหลวงตาแล้วค่ะกลับบ้านไปก็ไปพิจารณาดูที่ตัวเองทำมานี่ต้องมากว่าคนเรื่องกันเลยอะคะ่ะที่หลวงตาสอนไว้อะคะ่ะ ที่นี้ก็ฟังอ่านอ่านหนังสือแล้วก็ฟังซีดีที่หลวงตาได้ได้อธิบายไว้โยมก็เลยสังเกตดูว่าคั้นแรกก็ต้องบอกตัวเองก่อนออกมาจากออกมาจากไอห้องนั้นสัทีหนึ่งไม่งั้นเราก็คงจะไม่ไปถึงไหนแล้วทีนี้ก็เลยห้องอห้องอ <laughs> บ้านน้อยหอยสังอะคะ่ะอง้านาใใจเราน่แหละค่ะค่ะออกสักทีหนึ่งทีนี้โยมก็เลยใช้สังเกตดูตัวเองว่าเออที่หลวงตาบอกว่ามี อ, าอะไรเสียงพูดพึมพำหรืออะไรเงี้ยโยมก็ยังยังไม่สังเกตเห็นนะนะคะแต่ว่าทีนี้อย่างช่วงที่ อย่างเราเดินไปไหนหรืออะไรที่เราคนเดียวสบายๆเนี่ยก็ก็จะบางครั้งก็จะเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็เหมือนว่าพอเราเห็นเห็นันั้นเราก็เหมือนเห็นโน่นเห็นนี่หรืออะไรเราก็จะวิพากวิจารณ์เวลาในในใ น, ในใจนะคะโยมก็เลยจะมากราบเรียนหลวงตาว่าไอ้ที่เรานั่นมันก็มันก็เป็นความคิดนะคะแต่มันจะใช่ที่หลวงตาท่านเทศวัยหรือเปล่าอะค่ะ เราไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องไปค้นหาอะไรอย่างงั้นแล้วเราจะพยายามไปค้นหากันเดี๋ยวมันมันยิงเครียดใหญ่อยู่ให้เอให้มันไม่ต้องคิดเรื่องว่าจะต้องไปยึดโลกก็ต้องพยายามในทางโลกก็ต้องพยายามในทางธรรมได้ไหมของเราอ่ะกรณีของเราเนี่ยคือ เดี๋ยวมันไม่ต้องไปเอาใจไปยุ่งวุ่นวายพยายามอะไรในทางโลกแล้วก็ไม่พยายามไปทำในทางธรรมว่าพยายามจะออกจากอะไรพยายามให้เห็นอะไรพยายามให้รู้อะไรได้ไหมอยู่อย่างปกติธรรมดาธรรมดาตอนนี้ได้ไหมหมายถึงว่าเป็นเหมือนคนธรรมดาเลยนะคะที่ว่าไม่ใช่ใชไม่ใช่คนปฏิบัติหรือหรือหลงในทางโลกก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนปฏิบัติ ด, ด้วยหมายถึงว่าเป็นคนธรรมดาที่ใช้ชีวิตธรรมดาในโลกใบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช ค่ะอืมอย่างนั้นแหละค่ะหลวงตาค่ะแล้วแล้วอย่างเวลาเราเ อ, ออย่างนี้ก็คืออย่างพูดโทรหรือเราสังเกตเวลาเราเดินไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเราเดินหรืออะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าใจมันยังอยู่จะเนี้ยมันจะใช้โยมยังเพ่งอยู่ไหมคะอืออยังเพ่งอยู่เหรอคะโยมเราก็ไม่ต้องนะก็อะไรที่คนปกติเขาปกติตรมดาเขาไม่ทํา เดี๋ยวเราไปเพ่งพยายามดูไปพยายามรู้พยายามสังเกตอะไรนะ่ยเราก็จะไปทําอืำเราก็ละเสียคนรู้ตัวไปทําในสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทํำเราก็จะไปทําอค่ะแต่คนปกติเนี่ยเขาจะไปหมกมุ่นในเรื่องโลกอยากรวยอยากมีอยากเป็นอันนั้นเราไม่ไม่หลงไปอยู่แล้วล่ะแต่เรามอหมกมุ่นอยู่ภายในของเราอยากบรรลุธรรมอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากบรรลุธรรมอยากอยากรู้อยากเห็นได้อย่างจะออกจากแค่อยากจะเป็นอย่างนู้นอยากจะเป็นอย่างนี้ อันนี้คนปกติเขาไม่ทำแต่คนปกติเขาไม่มาทำดานด้านภายในอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นธรรมแต่คนปกติเนี่ยเขาก็จะไปเป็นอยากอยากอยากเอาอยากได้อยากเป็นในทางโลกอยากรวยทีนี้เราก็ไม่ไปทางนู้นแล้วไะทางโลกแต่เราก็ผิดผิดมาอีกด้านหนึ่งมามาเป็นอยากในทางธรรมอยากออกจากแช่อยากให้เป็นอย่างวุ่นอยากเป็นอย่างนี้มันก็เลยหมกมุ่น หมกมุ่นผิดไปอีกด้านหนึง่งทางโลกเราไม่หลงไปแล้วลนะ่ะเราไม่ไปหมกมุ่ น, ม, นมันเหมือนชาวโลกเขาอยากร่ําอยากรวยแล้วก็แต่เรามาหมกมุ่นในทางธรรมอยากบรรลุธรรมอยากเอาอแต่แฉอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กลายเป็นหมกมุ่นเราอยู่อย่างปกติอะอย่างคนปกติจะไม่หมกมุ่นในทางโลกได้ไหมลนะ่ะแต่ว่าหนังสือธรรมะหรือซีดีเนี่ยเราก็ยังต้องฟังอยู่ค่ะยังไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไว้<อ>เป็นไปก่อน <G ül> เป็นแล้วไปก่อนแล้วก็ให้เป็นอยู่อย่างปกติ <G ül> ที่ไม่หมกมุ่นอลไรไปในทางโลกแล้วก็ไม่หมกมุ่นก็ไปในทางธรรมด <c oughs> ีนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์พระก็กราบพระธรรมดาแล้วก็สวดมสนต์สั้นๆแล้วก็จะไปหมกมุ่นฟังฟังไม่ต้องหมกมกุ่นอ่านหนังสืออย่างงี้ได้ก่อนได้ไหมละ่ะ <G ül> อ๋อค่ะทีนี้มันก็นไม่ไม่มีอะไรทําเลยค่ะ ถ้าเราไม่ได้ไม่ได้ฟังซีดีหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ีวิตปชั้นวันทําอะไรล่ะก็จะมีทํางานค่ะทํางานตอนกลางวันก็ทํางานแล้วก็ทํางานอยู่แล้วก็มีงานทําอยู่แล้วกลางคืนก็พักผ่อน่ะางวันก็ทํางานกลางคืนก็พักผ่อนออย่างนี้ไปก่อนนะคะทําาอย่งนี้ไปก่อนค่ะกลางวันก็ทํางานคืนก็พักผ่อนค่ะค่ะเออ พักผ่อนมันจะไปนอนแช่นะไม่เป็พักผ่อนอะไรก็ได้อ่านหนังสือเอาหนังสือสบายๆมาอ่านไม่เครียดก็ได้ไม่ใช่หนังสือธรรมะนะค่ะค่ะดูไอ้นี่มันสบายๆดูสารคดีอะไรที่สบายๆก่อนก็ได้ค่ะเข้าเข้าใจแล้วค่ะไปกับอะไรอินดามไหมล่ะจะพยายามทําตามที่หลวงตาแนะนํามาค่ะเออค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมัน มันเครียดมันแช่จนเนี่ยดำไปหมดเลยเนี่ยขอบตานขอบตาดำเป็นไอเชโดเลยเป็นมีแพนด้าเลย ล, ลงตาค่ะก่อนก่อนหน้านี้โยมน้ำหนักลดลงไปเกือบสิบกิโลอะค่ะ <c oughs> ก็น่าจะเกิดจากเรื่องพวกนี้นะคะเออก็มันเครียดนะค่ ะ, คะเครียดเนี่ยพอหมกมุ่นในธรรมนี่ก็เครียดได้นะเราไม่รู้ตัวเลยอะ เครียด <Here. S 2> จนกระทั่งเนี่ยเป็นหมีเพนด้าเนี่ยตาเป็นกอบตาเหมีเป็นด่าคนเราเนี่ยมันอ่านตัวเองไม่ค่อยขาดทํายังไง ใ, ใจมันทํางานแล้วก็ทํางานไปตามปกติไม่ใช่ว่าพยายามมาฝึ ก, กจิตอีกกลับบ้านก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ใช่ว่าพยายามมาฝึ ก, กจิตแล้วก็ทําให้มันแบบว่ามีความโลภโมโทสันมีความโลภความโกรธความหลงมาในในกิเล็ ล้วก็อยู่ชีวิตอย่างปกติธรรมาดาได้ไหมละ่ะต้องทำค่ะต้องทำให้ได้ค่ะทําไม่ได้ก็จะเพีย น, นตับเขาเองนะ<อ> ม, มัะมจะจะจมใหญ่เลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วอยู่แถวไหนอยู่ไหนบ้านอยู่บางแคค่ะบางแคร์ใกล้กลค่ะยมก็ได้ไปรับซีดีจากร้านคุณหมออะค่ะ ก็ดูเั้เขาหน้ามาก็น่าจะเห็นผลแล้วถ้าเราไม่ไม่ห ม, มกมุ่นในเรื่องโลกไม่หมกมุ่นในเรื่องธรรมใช้ชีวิตยอย่างปกติไม่หมกมุ่นไปในโลกไม่หมกมุ่นไปในธรรมหมกมุ่นจะฝึ ก, กจิตจะเอาจะเอาจะเป็นอย่างนี้พอจากนั้นไป น, นี้ไม่หมกมุ่นอย่างนี้มันก็เป็นปกติแล้วคือความจริงเ่จะเอาจะเอาอะไรนั้นเป็นอะไรนั้นคือมันมีกิเลสเราก็ไม่รู้ทรมามคือสิ้นกิเลส เราบอกไม่มีกิเลสในทางโลกเราไม่เอาอะไรทั้งหมดน่ะแต่พราว่าปฏิบัติธรรมจะเอาจะเอาจะเอานู่นจะเอานี่จะเอาจิตดีจะเอาสุขจะเอาทุกข์ไม่มีจะเอานิพพานเอาโน้นเอานี่สุดท้ายไม่มีกิเลสโลกไม่มีกิเลสธรรมก็เป็นกิเลสไม่เป็นธรรมหรอกเพราะเป็กิเลสมันเป็นธรรมเป็นโลกเจใจสงบใจนิ่งใจเฉยมันก็เป็นกิเลสอยู่ดีอ่านใจตัวเองขาดมีความเป็นอยู่อย่างปกติเน่ยไม่มีกิเลสโลกไม่มีกิเลสธรรม กิเลสทำมาถึงก็กิเลสหมกมุ่นจะไปเอาอะไรในทางทำเอาความสุขเอาความสงบเอานิพานเอานั่นเอาโซดาตะกิตาขาวนาคาวมีอาหารเอาจิตว่างนี่มันหมกมุ่นมันเป็นกิเลสทำแท้ๆคือสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสโลกสิ้นกิเลสที่เอาอะไรในทางทำบนนี้จะเป็นธรรมแท้ๆแต่ในพออยู่โลกก็เป็นกิเลสโลกเพราะว่าปฏิบติธรรมก็จะเอากูจะเอากูจะเอาเป็นกิเลสในทางทำก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันเป็นกิเลส พอไปกิเลสแล้วก็ไม่เป็นธรรมเขาหน้ามาคงจะเห็นผลเน่ะถ้าถ้าเราไม่มีกิเลสโลกไม่มีกิเลสธรรมเขาหน้ามาก็เห็นผลแล้วไอ้ขอบตาที่เป็นดํามันผีมีเป็นดาวสองกระจกดูมันก็จะหายมันแก้ไม่ตกมันพยายามจะให้แฉหายแช่หายเป็นอย่างวุ่นเป็นอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นใหญ่เลยหนักใจเลยมันต้องไปฟังเลยนะมันต้องไปฟังไปอ่านเว้นด้วยก่อนเป็นไปก่อน ไม่รู้ว่าจะจะส่งกันบ้านยังไงหลวงตาแต่รู้ว่าตัวเองอยังยังเพ่งยังอะไรอยู่อย่างเนี้ยค่ะี่งจะเข้าไปดูลักษณะนั้นนะ <c oughs> แล้วก็เวลามันเพ่งมากๆมันก็จะเข้าปิดแบบเวลากระทบอารมณ์ปุ๊บมันก็จะกดเข้าไปข้างในอย่างเนี้ยค่ะแต่ในในบางครั้งก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่มีอะไรแต่ก็ ก, ก็อย่างที่อลวงตาบอกไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเข้าไป มันก็อยู่กับว่างอยู่กับแช่อะไรอย่างนี้เหมือนเหมืนที่ที่เคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าค่ะออเออมันก็ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ขาดมันเหมือนในใจนิ่งใจเฉยใจสบายมันเป็นห้องขังเราไว้เป็นห้องขังที่มันมันมันใส่กุญแจมาจากด้านในคือเราเป็นคนใส่กุญแจเองใน ใจนิ่งใจเฉยใจโปร่งใจโล่งใจเบาใจสบายใจสงบเราไปใส่กุญแจห้องขังตัวเราไว้ตอนนี้ก็เปิดประตูเหมันก็เราเปิดประตูมีตัวเราเหมันก็มีตัวเราไปทุกขังอยู่ในห้องขังที่มันใจมันนิ่งมันใจมันเฉยใจมันโปร่งมันโล่งมันเบามันสบายเราไม่ค่อยอยากไปออกไปสัมผัสอะไรเราก็พาตัวเราก็ไปติดอยู่ในห้องขังห้องขังก็คือใจที่สบายนั่นแหละ แต่ตัวนี้ก็ออกมาได้บ้างเปิดประตูเอายอมที่จะไขกุญแจประตูห้องขังออกมาเอาตัวเราออกมาแต่ก็มีตัวตนอยู่ดีเอาตัวตนหรือความรู้สึกว่าเรามีตัวตนมีตัวตนของเราออกจากห้องขังแต่ก็ออกมาได้บ้างมีการสบายใจบ้างออกมาแต่ออกมาแบบหวาดหวักลัวๆก็กล้าพอมีอะไรกระทบปุ๊บก็ริบเข้าห้องขังอยู่ดีแต่ก็เริ่มเดินออกห่างห้องขังมากขึ้นเรื่อย แต่พอกระทบอะไรก็รีบกลับเข้าห้องขังอยู่ดีรีบกลับเข้าห้องขังเป็นประตูล็อกคุณแจเป็นห้องขังที่เป็นเป็นห้องขังมันคุกตารางที่ที่สานตำรวจแต่เราไอ้มันที่สานรตำรวจเขาเขาขังจากข้างนอกอันนี้เราขังตัวเองจากขังอยู่ข้างในอืมเราก็ต้องแก้ไขพอกระทบอะไรก็ดูที่ใจเราว่ามันเข้าไปให้ค่ายเขาาสังขารหรือเปล่าอย่าเอาตัวเราหนีปัญหาเรากลับเข้าไปในห้องขัง ย้อที่จะออกมากระทบรับรู้ทางตาคุณโมลินแก้ใจตามความเป็นจริงแล้วก็มันเป็นอย่างไรดีชั่วสุกทุกบุญบาปกุศลนะกุศลนเป็นยังไงก็สังเกต ด, ดูจิตใจว่าไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันจะเป็นยังไงทุกวันปัจจุบันก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็อ่านใจตัวให้ขาดว่าไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือพอเราไปกระทบกับสิ่งที่ไม่สบายใจหน่อยมันก็จะหนีกลับเข้าห้องขางที่สบายใจนี่ก็หาอารมณ์ที่สบายใจความรู้สึกที่เฉย เฉยสบายใจมันก็กลับเข้าห้องขังอย่าอ่านใจตรงนี้ให้ขาดคือแค่แค่เห็นว่ามันเข้าไปล้วก็ก็ก็แค่รู้ดูมันอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือจะต้องยังไงคะเพราะมันเหมือนมันจะเหมือนอัตโนมัติแล้วมันเข้าไปโดยที่ยิ่งไม่รู้อย่างนี้คะ่ะไอความรู้สึกว่นมีตัวเราเนี่ยความรู้สึกมันมีตัวเราทนอะไรไม่ได้อะ ความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราทนอะไรไม่ได้ความรู้สึกว่าจะต้องเอาตัวเราหนีออกจากอะไรความรู้สึกว่ามีตัวเราหลบเขาไปอยู่ในที่ใดความรู้สึกว่าจะต้องพยายามให้ตัวเราไม่ติดโยนกับอะไรความรู้สึกว่าจะต้องเอาตัวเราออกจากอะไรอันนี้มันจะความปรงแต่งหมดมันเห็นแล้ก็จะหลงไปตามมันมันจะมีความรู้สึกรู้สึกรู้สึกอะไรก็ตามมันเป็นความปรุงแต่งไม่หลงไปตามมันเพราะว่าความรู้สึกความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นเราเป็นตัวเราตัวนี้เป็นความปรงแต่ง ปล่อยให้ม um. ันปรุงอยู่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีใครไปยึดถือมันไม่มีใครไปหลงตามมันมันจะรู้สึกปรุงแต่งเป็เราเป็นเราเป็นเราแต่ไม่มีใครไปยึดถือแล้วก็อยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมีเราให้ไปเป็นอะไรมันมีความรู้สึกก็มีเรามีเรามันปรุงแต่งไงในปัจจุบันปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ไม่มีใครไปยึดถือลัห็นอยู่อย่างเนี้ยมันจะสุขจะทุกข์จะเป็นกุศลอกุศลมันจะคิดจะนึกจะตื่น กุ้งแต่งไงก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ออกมาจากใจแค่รู้ออกมาจากใจไม่มีใครเข้าไปยึดถืออย่างเงี้ยเห็นอยู่อย่างเงี้ยจะได้ไหมน่ะอือถ้าเห็นอยู่อย่างนี้แม้ว่ามันจะเข้าไปกระทําเองเข้าไปยึดเข้าไปกดก็คือก็ก็เห็นมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะแตถ้าม like mm ันเป็นแค่รู้จริงๆไม่มีตัวตนของเราเข้าไปยึดอะไรมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าถ้าแค่รู้มีตัวตนของเราเข้าไปยึดมันก็แย่อะไรเงี้ยเราสังเกตอ่านใจเราให้ขาดว่ามัน มันมีความรู้สึกมีตัวเราความรู้สึกก็มีตัวเราเข้าไปเป็ยึดอะไรหรือไม่ยึดอะไรหรือว่าเราเรากลัวว่าตัวเราจะเป็นยังไงอ่านใจตรงนี้ขาดแล้ความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราตัวเราเห็นว่าเป็นตัวปรุงแต่งคือมันก็ยังเข้าใจที่หลวงตาสอนนะคะแต่แต่ในทุกๆครั้งมันก็ยังเห็นเห็ตัวเราตัวเราตัวเราอย่างนี้ยค่ะเอาก็ถูกต้องไหมคือเห็นทุกอย่างว่าเป็นตัวเราเออก็ถูกต้องเดก๋ยวก่อนเดี๋ยวก่น เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเห็นว่าทุกอย่างก็มีตัวเราแม้แต่ปาลุตาต่อไปมันก็ยังมีตัวเรามีตัวเราตัวเราก็ต้องการตังเห็นตรงเนี้ยแม้แต่ปาลุตาสรตั้งนานเลยไม่ยังมีตัวเราอยู่มีตัวเรามีตัวเราต้องการให้เห็นตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าให้ไม่มีให้เห็นว่ามันมีอยู่เนี้ยแต่มันมีแบบเนี้ยมันมันมีแบบเป็นความปรุงแต่งมันมีแต่เราไม่ลึกไม่ไปไปพยายามดับมันหรือว่าหลบไปกับมันจริงๆว่ามันเป็นตัวเราจริงๆแต่เห็นว่ามันมีอยู่มันปรุงอย่างนี้อยู่จริง ถ้าบางครั้งเห็นว่าเป็นตัวเราตัวเราแล้วก็รู้สึกว่ามันมันหลงไปอยู่กรบมันแต่ก็รู้มันก็เหมือนมีมีตัวที่รู้คล้ายๆว่าตอนเนี้มันหลงไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะก็ต้องรู้มันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนเพราะมันมันตัวเองเข้าไปเหมือนกับในความรู้สึกว่ามันเข้าไปติดอยู่กับตรงนั้นนะคะแต่มันก็เห็นว่ามันเป็นตัวเราที่ที่มันพยายามที่จะทําอะไรแล้วก็มันก็ดิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะพยายามทำอะไรที่จะให้ให้หลุดออกมาจากตรงนั้นตรงนี้ก็ <c oughs> มันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องต้องดูมันไปอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะจะไม่แน่ใจว่าตัวเองจะจ ะ, จะเห็นถูกหรือเปล่าตรงนั้นเพราะว่าจะรู้สึกอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันติดเข้าไปแล้วบางครั้งในบางครั้งจะเห็นว่าตัวเรามันก็มันอยู่ในตรงนั้นนะแล้วก็มันพยายามที่จะดิ้นอย่างนี้นคะ่ะบันเสินเดยแดงาแปเยตรงนี้เดียเด๋ยวดี๋ คือมันจะมีกิริยาการแสดงกิริยาการยังไงก็ตามมีอาการแสดงอาการดิ้นช่วยตัวเองมีการแสดงกิริยาการว่าเราไปติดเราไปติดแล้วเราก็พยายามจะช่วยตัวเราเองมีการแสดงกิริยาการว่าอย่างนี้เราแช่เปล่าอย่างนี้เราแย่เปล่าอย่างนี้เเป็นยั้นงเปล่าอย่างนี้เราเป็นเ่องาต่อให้มีกิริยาการอใไๆก็ตามมันก็เหมือนคงมีแต่กิริยาการวิ่งรอบใจที่ไม่มีอาการนี้มันจะมีอาการติดมีอาการไม่ติดมีอาการแย่มีการคิดกำลังไยก็เหมือนแต่มีอาการ แต่ใจก็เหม <mel> ือนกับเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเนี่ยอาการคิดอาการรู้สึกอาการคำนึงอะไรต่างก็เหมือนกับนิ้วของตาเนี่ยห้านิ้วเหมือนขาน่าเนี่ยรูปเวสนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยในใจของเรามันมีมันมันจุกยิกจุกจิกจุกยิกจุกจิกแต่ใจมันเหมือนกับเป็นอากาศที่ว่างเปล่าในห้องเนี่ยมันเป็นความเป็นความว่างเปล่าใจเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับภายนอกและไม่ใช่ว่าเป็นความว่างเพราะภายในห้องนี้ทั้งภายนอกภายในก็เหมือนกัน มันเป็นความว่างเบืองวางไพศาลเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลแต่อาการมายุกยิบยิกไม่ว่าจะยุกยิกเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันก็คงปล่อยมันเนี่ยมันจะมีอาการแช่มีการแย่มีการตึกตอมีอาการไล้ควนมีอาการรู้สึกเป็นเล่าเลาเอ๊ะทําไมฟังไว้จะฟังดงตาพูดหลายครั้งว่ยังมีกวามรู้เล่าอยู่นั่นแหละเอ๊ะทำไมมันจะมีเล่าอีกอ่ะมันจะมาเอ๊ะอ้ามีเล่ากี่เล่ามันก็เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นอาการของขันนาที่มันพุ่งพุ่งพุ่นในใจที่มงพว่างอยู่ันก็ธรรมชาติเนีใจ ส่วนใจมันเป็นความว่างป่าบนธรรมชาติเนี่ยมันเป็นทอะไรกับไอ้ไอขันห้าไม่ได้ขันห้าจะปรุงยังไงมันมีกิริยาการยังไงมันไหวตัวยังไงมันก็เป็นขันห้าหมดแต่ใจมันเหมือนกับเป็นความว่างธรรมชาติเนี่ยมจักรวาลเนี่ยมันมีแต่ความรู้ความแปลเป็นความว่างที่มีความรู้ใจเนี่ยมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับว่างธรรมชาติเนี่ยมันก็รู้ว่ามีขันห้าปรุงอย่างง้นปรุงอย่างนี้ปรุงโอ๊ยมันทำไมยังติดเหล่าไอ้เรารู้สึกติดเราจะต้องทำไงให้เราไม่ติดมันก็ปรุงสารพัดจะปรุงอ่ะแต่มันปรุงงไงก็เหมือน ของดวตาเนี่ยที่มันจิกจิกจิกจิกจิกจิกจิกอยู่ในอยู่ในความว่างธรรมชาติอยู่ในใจที่เป็นความว่างธรรมชาติตอนเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไม่ไม่มั่วว่าต้องอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เปล่าอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ต้องมาติดเจ้าออกมาอย่างนี้หรือเปล่าอย่างงี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรืเปล่าอย่างงี้หรืเปล่ามันก็ไม่มีจบสิ้นอ่ะเพราะว่า ไอเดียวถามทั้งหมดได้มันคืออะไรมันตัวไอไอขันห้าที่ล unity, แล้วก็วางมันไปให้หมดนะปล่อยวางมันไปให้หมดก็แค่รู้ว่ามันมันก็เป็นตัวเราแต่มันเป็นสิ่งที่จะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่เราเห็นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวเราอืจิจริงมันก็คือคือเห็นความเป็นตัวเราจนกว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้ความเป็นตัวเราเนี่ยจริงจริงแล้วมันก็คือไม่ใช่เราอืม แ, แค่นั้นน่ง นี่มันก็จะมีอย่างที่ที่หลวงตาบอกว่ามันก็เป็นสังขารบางทีมันก็ปรุงเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งมันเกิดขึ้นมาเองเนี้ยค่ะมันก็ขยับกันมันไปเองทั่วไปหมดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปล่อยให้มันไปรู้ว่าต้องฝืนบางทีฝืนมันก็มันก็ไม่ได้อยู่ดีก็ก็รู้มันไปใช่ไหมค่ะมันจะเป็นเป็นคราวๆหรือว่าเวลานั่งสวดมนต์หรือทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็จะเป็นนะคะ ไอสิ่งอะไรก็ตามที่มันมีอาการมันเกิดดับได้มันไหวตัวได้มีอาการเปลี่ยนแปลงไปมาได้มันก็เหมือนกันดิ้วห่านดิ้วหัวลูกตาที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในใจที่มันเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าธรรมชาติอย่างเงี้ยถ้าถ้าหลีเข้าใจอย่างเงี้ยหลีก็จะไปถามแล้วถ้าอย่างนี้ต้องต้องแก้ไขอย่างนี้เปล่าเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างนี้เปล่าอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปสมดมนต์มันเป็นอย่างงี้อีกแล้วเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นแล้วไอ้นี่มันเป็นอย่างวุ่นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้มันเป็นอะไร มันเป็นยังไงก็มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะช่างมันเลยสนใจมันไม่ปรุงแตง่งไม่อ า, ากปรุงแต่งได้ฟังลเข้าใจไหมเนี่ยฟังอยู่ไหมเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจไหมนะ่ะออออใหม่ดิใหม่ดิเข้าใจไหมดูสิเผื่อจะไปพูดไปทีเดียวกันเลยเพราะว่ามันมีอาการเหมือนกันเลยใช่ไ<ข>หมเดะเลย<ข>เราใ<ข>ช่ค<ข>่ะใช่ค<ข>่ะเวลาเจอผัสสะหรืออะไรเงี้ยก็ ประมาณนี้ค่ะโยมเวลาเจอภาษาเนี่ยเราจะเอาแล้วมันก็จะเกิดความไม่ชอบหรืออะไรเนี่ยแต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันเกิดต้องชะงักขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเกิดชะงักขึ้นมาแล้วเราก็ของโยมก็เออมันก็เหมือนเหมือนไอ้ที่เรากํากำลังที่แบบเสียงดังหรือหรือที่จะ พูดอะไรเนี่ยพอมันเห็นตรงนั้นเราก็จะชะงักแล้วเราก็เสียงเบาลงแล้วเราก็พูดตามปกติอะค่ะเวลาที่เจอที่ทำงานที่เขาทำไม่ถูกต้องแล้วเราต้องชี้แจงแก้ไขอันดับแรกสเต็ปแรกก็คือที่แรกมันก็จะแบบเหมือนของขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วอมันก็ชะงักแล้วมันก็เออพูดตามปกติกับเขาไปได้อะค่ะ แต่แต่ก็ไม่ทราบมันมันอะไรอนะคะแบแต่แต่ว่าเออแต่จะว่าไปลึกๆจริงๆคือโยมก็บอกกับตัวเองว่าไม่อยากสร้างกรรมเอ่อหรืออะไรอีกต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันก็คงจะปุงแต่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเออเรารเบรกไว้ดีกว่าเพราะกรรมเรามันเยอะเหลือเกิ น, นะค่ะเอาไงหรืออ่ะตอนนี้ทิ้งทิ้งที่พอจะนึกได้ก็มีเท่าเนี้ยค่ะ นี่หลวตาจะมีอะไรที่ที่จะแนะนําเพิ่มไหมคะแนะนําเพิ่มเพื่อให้แนะนําเพิ่มเพื่ออะไรเหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรที่ต้องที่ที่อย่างปฏิบัติที่ต้องแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยหาทางให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่ออะไรเดีย๋ยวเขาเพื่อจะไปเอาอะไรอีกใช่ไหมคะใช่ ก็แค่รู้ไปอย่างนี้รู้จักใจพยายามรู้จักเข้าใจใ ห, ให้ได้ให้ได้ตลอดเวลามีสติตรงนั้นอืมถ้ามันไม่มีเอาอะไรไม่เอาอะไรหรือไม่ทั้งไม่ปฏิเสธทั้งจะไม่จะไปเอาอะไรมันก็ทุกอย่างมันก็ไม่มีทุกอะไรเลยไม่มีกิเลสและความทุกข์อะไรคือในบางในบางจังหวะจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นมันมันมันคล้ายๆมันเคยรู้สึกอย่างนั้นนะคะหลวงตาถ้าถ้ามัน ถ้มันจะเป็นไปเองแค่ชั่วขณะแล้วเขาเดี๋ยวมันก็จะกลับมามันมีตัวไม่ใช่<ำ>อย่างนั้นมันคือเข้าอยู่ในความว่างเข้าไปอยู่ในความว่างใช่เออมันเข้าอยู่ในความว่างแต่คือมันจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราไม่โหยหานี่แสดงว่าเราเข้าอยู่ในความว่างแล้วเราบอเออตรงนั้นเคยเป็นแสดงว่าเราไปโหยหาตรงนั้น <S <S อันนี้เรายึดตรงนั้นมันมีอะไรก็เราไม่ใช่ไปรู้ในความจริงตามความเป็นจริงในปัจจุบันมันจะเป็นยังไงก็แค่รู้แต่ตรงนั้นโอ้ตรงนั้นมันดีมากเลยอันนี้แสดงว่ามีตัวเราอยู่ เพราะคงเท่านี้ค่ะปฏิบัติคืออย่างนี้ไปค่ะก็คือในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทั้งความว่างความไม่ว่างมันมีความว่างก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่ว่างก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นจะไม่ไม่ดิ้นรนหมุนหุ่นไปหาทางอะไรมันก็อยู่มันอย่างเงี้ย มันมีความว่างในใจอยู่มันก็มีความว่างมันจะนิ่งมันจะเฉยจะว่ามันจะสงบก็มันก็คงเป็นอย่างที่มันเป็นมันไม่ว่างไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบมันพรุงแต่งมันก็ยิ่งกระเปิดเป็นอย่างที่มันเป็นแต่พยายามจะไปดิ้นรนค้นหาจะเอาอะไรอยู่แล้วเนีะดิ้นรนค้นหาใจมันเป็นอะไรเราไม่ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันตามความเป็นจริง พอปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันตามความเป็นจริงก็เป็นอะไรก็เป็นไปจากเป็นอะไรก็เป็นไปไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมาถือมั่นเราไม่ปเจเะจงความมีความเป็นแล้วไปอยู่กับความที่ว่างๆมันจะว่างหรือไม่ว่างก็คงปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันว่างก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องโอ้เราเคยเจอแล้วตรงนี้เราไม่ยึดอะไรเลยมันจะเป็นยังไงในทุกขณะปัจจุบันก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็น่ ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดไม่มีใครไปรองรับ